เจริญรท่านทั่วเนี่จิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านั้หลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงาน ยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติธุระของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้มีอยู่สองธุระด้วยกันธุระข้อที่หน่เรียกว่าขันธ์าทธุระข้อ2เรียกว่าวิปัสสนาธุระนี่คือธุระที่พุทธศาสนิกชน ควรจะทําอย่างต่อเนื่องคันถักธุระนี้แปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระแปลว่าการทําให้แจ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คืองานของพุทธศาสนิกชนในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาก่อน ศึกษาว่าพระองค์ทรงสอนให้เรารู้แจ้งในเรื่องอะไรสิร่งที่พระองค์ต้องการให้เรารู้แจ้งก็คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่ซึ่ง ม, มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือ 1. นทุกสองสมุทยัยต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ 3. นิโรธ การดับของทุกข์และสี่มรรคคือทางที่จะดับไปสู่การดับทุกข์นี่คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ก็ตัดสู้ในพระอริยสัจ ส, สีนี้ไม่มีใครจะรู้พระอริยสัจ ส, สีได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีบุญบารมีมีปัญญาบารมีมากพอที่จะตัดสรุ้พระอริยสัจสีได้ปกติแล้วสัจโลกทั่วไป น, นั้นจะไม่เคยรู้ว่าความทุกข์ของตอนนั้น มีเหตุและก็ไม่ได้เป็นเหตุที่อยู่ข้างนอกแต่เป็นเหตุที่อยู่ในตัวของเราเองสันโลกทั้งหลายอย่างพวกเรามักจะเห็นเหตุของความทุกข์ว่าอยู่ข้างนอกกันเช่นเวลามีปัญหาอะไรเ ร, เราก็ไปแก้ที่ข้างนอกกันแทนที่จะเข้ามาแก้ที่ข้างใน เราไปแก้ข้างนอกแก้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสิ้นความทุกข์นี้มันอยู่ในใจของเราและสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็คือความอยากต่างๆซึ่งมีอยู่3ประการ ด, ด้วยกันคือ1การมกตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสส ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นสวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ใช่เพราะว่าขาดแคลนสิ่งนั้นหรือขาดแคลนสิ่งนี้หรือมีภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ภัยต่างๆด้วยการขาดแคลนต่างๆนี้ไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ใจให้แก่สัตว์โลกได้มีแต่สมุทัยก็คือความอยากทั้งสามส่วนนี้เท่านั้นที่สร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้เช่นการหน้าตัญหานี้ก็คือความอยากใน รูปเสียงกิ่นนสนต่างๆเช่นคนเราที่ต้องมีครอบครัวกันมีสามีมีภรรยากันก็เพราะยังมีความอยากในการอยู่การก็คือรูปเสียงกิ่นนสนโผลตภาพระพอเราได้สามีได้ภรรยามาแล้วก็มีปัญหาต่างๆตางมาเพราะว่าสามีหรือภรรยาของเรา ก็จะไม่คงเส้นคงวาไม่เป็นเหมือนเดิมเวลาใหม่ๆก็จะดีเหมือนของใหม่ทั้งหลายรถยนต์ใหม่ก็จะดีแต่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดการชำรุดทึดุโทรไปเป็นธรรมดานี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ความสุขทางตาหูจมูกรินกายก็เช่นเดียวกัน เวลาเราได้สามีได้ภรรยามาใหม่ๆก็รู้สึกว่ามีความสุขดีดีไปหมดแต่พอไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนไปจากเคยที่ดีกับไม่ค่อยดีเสียแล้วจากเคยที่เอาอกเอาใจกันเห็นอกเห็นใจกันก็กลับมาเอาแต่ใจตัวเองไม่ทึดถึงใจของคู่ครอง พะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจแล้วเราก็จะพยายามไปบอกเขาให้เขาแก้ตัวเขาเองว่าให้ทำตัวดีๆเหมือนเมื่อก่อนเหมือตอนที่รู้จักกันใหม่ๆแต่บอกไปยังไงก็แก้ไม่ได้รอเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนั้นเขาดีเพราะว่าเขาอยากได้เรา แต่พอเขาได้เราแล้ ว, ลวเขาก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องดีกับเราไปอปัญหาของความทุกข์ใจของเราก็อยู่ตรงที่เราอยากจะให้เขาดีกับเราเนี่ถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิม ของเส้นของวาถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ปรับใจของตัวเราให้รับกับความจริงของคนของสิ่งต่างๆเช่นถ้าคนเขาเปลี่ยนไปเราก็จะได้ปรับใจของเราว่าเราไปอยากให้เขาดีเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ดีเราก็ต้องอยากอย่างนั้นถ้าเราอยากให้เขาไม่ดีเราก็จะไม่เสียใจ เราเรารู้ร่วมหน้าแล้วว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องไม่ดีแล้วเราพร้อมทําใจของเราให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของเขาพอเขาเปลี่ยนแปลงเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ใจไม่วุ่นวายใจและไม่ต้องไปเหนื่อยกับการที่จะไปคอยแก้เขาคอยบอกเขาให้เขาไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่าไปทําให้เสียเวลาเลย มาแก้ที่ใจของเราดีกว่าแก้ที่ความอยากของเราที่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวมทั้งคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีบ้างเดี๋ยวก็แก่บ้างเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเดี๋ยวก็ตายกันไปบ้างนี่คือ ความจริงที่พวกเราต้องพยายามศึกษาแล้วสอนใจของเราให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานาเกี่ยวข้องด้วยมาเป็นเจ้าของมาสัมผัสรับรู้นี้เขาไม่นิ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเขาก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีบ้างเดี๋ยวเขาก็เจ็บ่ายได้ป่วยเดี๋ยวเขาก็ตายไปบ้าง นี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายถ้าเราคอยศึกษาสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆให้เตรียมรับกับความเป็นจริงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเช่นเราต้องพร้อมเสมอให้สิ่งต่างๆจากเราไป พร้อมเสมอให้สิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนไปเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้ไม่ให้เขาแก่ไม่ได้ไม่ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไม่ให้เขาตายไม่ได้แต่เราสั่งใจของเราได้สั่งใจของเราอยากไปอยากไม่แก่อยากไปอยากไม่เจ็บอยากไปอยากไม่ตายพอใจเราไม่มีความอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจเพราะว่าเราไม่มีความอยากที่จะให้เป็นอย่างอื่นนั่นเองความจริงเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับความจริงเท่า <Yeah. S 1> นั้นเองแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นขอให้พวกเราจงคอยเศร้าดูใจของเราอยู่เรื่อยๆ ดูความอยากของเราอย่าให้ความอยากนี้มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาจากความอยากของเหล่านี้ mm hmm. เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด เ, mm hmm. เขาก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอด เ, mm hmm. เขาให้ความสุขเพียงชั่ว mm hmm. ระยะแรกๆแต่หลังจากนั้นแล้ว เขากลับมาให้ความทุกข์กับเราเสียมากกว่าพอเราได้อะไรมาแล้วเรารักเราชอบเราก็เกิดความหวงแหนขึ้นมาเกิดความโหงให่ขึ้นมา <Yeah. S 1> อยากจะให้เขาอยู่ไปกับเรานานๆไม่อยากให้ใครเอาไปจากเรานี่ <Yeah. S 1> นี่คือความทุกข์ที่จะตามมาจากการที่เราอยากได้สิ่งต่างๆ ถ้าเราอยากจะได้อะไรก็ขอให้เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการครองชีพเช่นเราอยากได้บ้านอยากได้เสื้อผ้าอยากได้อาหารอยากได้ยารักษาโรคถ้าพอประมานพอกับความต้องการก็ไม่ถือว่าเป็นสมุททยเพราะจะไม่ได้สร้างความทุกข์ของใจให้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเราก็ต้องทำใจ สมมติว่าอาหารไม่พอกินวันนี้เราก็ต้องถาใจว่ามันมีเพียงเท่านี้ก็กินไปเท่าที่มีให้กินถ้าใจของเราไม่ได้ไปอยากกินมากๆใจของเราจะไม่ทุ้มร่างกายของเราอาจจะอดอดอยากขาดแคลนบ้างในบางเวลาแต่ความอดอยากขาดแคลนของร่างกายไม่ได้มาทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ สิ่งที่ทำาให้เราเกิดความทุกข์ใจก็คือความอยากของเราที่อยากจะให้ได้รับประทานอาหารมากๆนั่นเองดังนั้นถ้าเราทําใจของเราให้พอใจกับความจริงของชีวิตเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราพอใจเราจะไม่ทุกข์ใจไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อม เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจถ้าเรารู้จักคำว่าพอใ จ, จเจริญก็พอใจเสื่อมก็พอใจคนชมเราก็พอใจคนด่าเราก็พอใจคนเอาใจเราก็พอใจคนไม่เอาใจเราเราก็พอใจนี่คือวิธีดับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ อย่าไปปฏิเสธความจริงของเราความจริงของเราเป็นอย่างไรเรายอมรับโดยดุจสตีจะดีกว่าเพราะเวลาเรายอมรับนะคใจของเราจะไม่ทุกข์เช่นเราไม่สบายเราก็ยอมรับมันว่าไม่สบายมันเจ็บมันปวดตรงนั้นก็ยอมรับมันไปต้องรักษาด้วยวิธีใดก็ยอมรับรักษาไป รักษาหายก็ยอมรับรักษาไม่หายก็ยอมรับเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าเราไปปฏิเสธความจริงเราจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือหลังของอร mm ิยสัจสี่การคิดแบบนี้ท่านเรียกว่าเป็นมรคคิดตามความจริงคือมีสัมมาทิฏฐิ เเห็นตามความจริงความจริงเป็นอย่างไรก็ให้ยอมรับความจริงเวลาเราเจริญก็ยอมรับเวลาเราตกอับเรายากจนก็ยอมรับอย่าไปคัดค้านอย่าไปต่อสู้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่าง อ, างอื่นเพราะชีวิตของเรานี้มันก็เป็นเหมือนกับการเดินทางถนนมันก็มีสูงมีต่า บางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ลงต่ำชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนี้มีสุขมีเจริญบ้างมีทุกข์มีเสื่อมบ้างและปีแก่บ้างมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างและมีตายบ้าง น, นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาในเบื้องต้นศึกษาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย เช่นลาบยศสรรเสริญสุขเขามีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดามีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีเนินทามีสุขก็มีทุกข์ถ้าเรารู้ทันความจริงอันนี้เราจะไม่เดือดร้อนกับความเจริญหรือกับความเสื่อม ของโลกกระทำทั้งแปดดีถ้าเราไม่ศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนเราก็จะทุกข์มากเวลาที่เราต้องประสบกับความเสื่อมทางลายศหรือสรรเสริญหรือความสุขเพราะว่านี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาก็คือไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปสั่งให้เขาปงงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เช่นร่างกายของเราเราไปสั่งให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดไม่ได้เขาก็ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวชั่วระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นที่เขาก็ต้องแก่งลงไป ตามความจริงของกับไปห้ามไม่ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เขาตายก็ไม่ได้เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเรายอมรับความจริงรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราเราไม่ใช่เป็นร่างกาย เราคือใจใจของเรานี้ไม่รู้จักคำว่าแก่ไม่รู้จักคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้จักคำว่าตายเพราะใจเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองใจเราเป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้เพียงแต่ถูกความหลงหลอกให้คิดไปว่า ร่างกายเป็นตัวเราของเราพอเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เกิดตัณหาความอยากคืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้ตายยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าเรายอมรับความจริงแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตาย รับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ใจเลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิ่งที่พระพเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครในโลกนี้จะรู้ความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองมีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้แล้วพอรู้แล้วเอามาสั่งสอนผู้อื่นผู้อื่นก็จะรู้ได้ รู้ตามได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาให้เหนื่ อ, อยยากเพียงแต่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนาไปปฏิบัติเท่านั้นพระองทรงสอนว่าให้ละความอยากสมมปทยัยให้ละให้ละด้วยด้วยมรรคมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิ chỉ, ความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความจริง เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าเห็นเห็นด้วยมัดมัดนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้นิโรจคือการดับของทุก์ปรากฏขึ้นมาพอเรารู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้สมุทัยคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะถูก ตับออกไปถูกละไปเมื่อไม่มีสมุทยแล้วทุกก็ไม่มีเหมือนถ้าไม่มีฟืนไฟก็ไม่มีเฟือง น, น, อนี้เป็นเชื้อของไฟถ้าเราเอาเฟือนออกจากกองไฟไปไฟก็จะต้องดับฉันใดถ้าเราเอาความอยากออกจากใจเราไปความทุกข์ใจก็จะดับไปดังนั้นเราอย่าไปแก้ที่ข้างนอก อย่าไปแก้ที่ร่างกายอย่าไปหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะป้องกันหรือห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ให้ตายไม่มีใครทําได้ทําได้ก็อย่างมากก็คือชะลอความแก่หรือทําให้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหายได้เป็นเป็นครั้งเป็นคราวไป จะไม่สามารถห้ามไม่ให้เจ็บไข้ได้ปวดได้และจะไม่สามารถห้ามไม่ให้ร่างกายนี้ตายได้อย่าไปแก้ตรงนั้นอย่าไปแก้ที่ร่างกายให้มาแก้ที่ใจของเราทําใจของเราให้เป็นอุบเบกขาเฉยๆเป็นกลางกลางไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังยินดีพอใจกับทุกสภาวะ ฝนตกก็พอใจแดดออกก็พอใจน้ำท่วมก็พอใจอะไรจะเกิดขึ้นก็พอใจทนะั้งนั้นเพราะเราก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเราไม่พอใจเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงเช่นน้ําท่วมแล้วเราบอกว่าเราไม่พอใจอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายอยู่ดีแล้วเราก็ต้องมาทุกข์ไปปะป่าโดยไม่เกิดไปอยูน์อะไรดังนั้นขอให้เรา ดูที่ความอยากของเราดูที่ใจของเราว่าทำใจให้เป็นกลางได้ไหรือไม่ทำใจให้พอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหรือไม่ถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกทําด้วยการนั่งทำสมาธิเวลานั่งทำสมาธิดีก็เพื่อให้ใจเราพอใจกับกับการอยู่ตามลักธรรมไม่มีอะไรก็พอใจพอใจกับความว่า อใจกับควาสมสงพอเรามีสมาธิแล้วต่อไปเวลาเราไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็จะสามารถทำใจของเราให้พอใจได้ทุกกรณีเลยนี่คือมัคือการทำใจให้พออยู่ตลอดเวลาอย่าไปไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกับการเอาค้อนมาทุบศรีรษะเรา เจ็บตัวเจ็บใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจที่เราไม่พอใจเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหาของเราดีกว่าคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากของเรานี่แหมาแก้ตรงนี้แล้วต่อไปเราจะอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ ใครจะดีใครจะชั่วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราฝนตกแดดออกน้ำท่วมพายุ ม, มามันก็ไม่เกี่ยวกับเราถึงแม่ร่างกายเราตายไปมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจไม่มีอะไรมาแตะต้องใจของเราได้นอกจากความอยากของเราเท่านั้นความอยากนี่แหละเป็นตัวที่อันตรายที่สุดกับใจของเราไม่ใช่อย่างอื่ ดังนั้นขอให้เราพยายามมาสร้างมักสร้างสมาธิจิสร้างสมาธิความพอใจแล้วรับรองได้ว่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้จะหายไปหมดเลยเพราะจะมีแต่ความพอใจอยู่ตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของพวกเราที่เรียกว่าขัตถะทุระและวิปัสสนาทุระ ปัญตะทุระก็คือการฟังเทศฟังธรรมศึกษาหนังสือจากพระไตรปิฎกศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาจากครูบาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนำเอามาปฏิบัติเอามาทำใจของเราให้พอใจให้ได้ให้พอใจกับทุกกรณีไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อม ใจเราสามารถพอใจได้เพียงแต่เราไม่รู้จักทำใจกันเท่านั้นเองจึงขอฝากธุระทั้งสองประการนี้คือคันธุระและวิปัสนาธุระให้ท่านได้นำเอาไปเป็นธุระเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนไัรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบอกเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยและท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาละโดยทั่วหน้าการ